เนี่นที่แปบรรพก็ราตนาสินแปดไหมอืมอ่า รัตน์ถึงแสตไปเอาตำสือยังทาไมไม่ขังหรอกไม่ยังพันเตติสระนนสาอาทังฆะสามนาฆะตาังปุโบสัทธังยาจามะจูติยังปิไม่ยังพันเตติสระนาสาอาทังะสามนาฆตาัง สังฆะอะระหังคัสมาณะกะตังภูโสรตังยาจฉะโมตัจฉะภควะโตระหะโตสมมาสัมบูตัจฉะโมตัจฉะภควะโตระหะโตสมมาสัมุทตัจฉะโมตัจฉะภควะโตระหะโตสมมาสัมบูตัจฉะ Na nmo tasaa p k a สังขังสารนังกัจจามินติยัมปิุังสารังจามติยัมปิุังสารนังกัจามิโติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามติยัมปิธัมมังสารังคัจามิโติยัมปิสังขังสารนังจาม เราตียอมปิสังข์สระน้ำกชามีตีย่มเปิดทางสระน้ำกชามี ตัดยามปทขามสารนังกัจจามิตัยามปีขามังสารนังอัจจามิตัดยามปีขามังสารนังกัจจามิตัดยามปิสังขังสารนังกัจจามิเทเรณักามา낭เมธิตังอะมะรันเตอะนาทิปตาเวรมเนสิกาปังสมาดิยาเม อานาติปัตัเวรมะนีสิกขาปัตังสมาธียามิอะินาดาณะเวรมะนีสิกขาปัตังสมายามิอะินาาเวรมะนีสิกขาปังสมาธียามิอะปมาจารยาเวรมะนีสิกขาปัังสมาธียามิ เวระมณีสิกขาปัังสมาธียามิมสาวาดาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธียามิมุสาวาาเวระณีสิกขาปัังสมายามิสุราเมรยามัจฉาปมาถานาเวระมณีสิกขาปังสมาธียามิสุราเมรยมัจฉาปมาานา เวรมนีศิกขาปัทังสมาธียามิวิการะโพชนาเวรมณีศิคขาปัังสมาธยามวิวิการโพชนาเวรมณีสิคขาปัตังสมาธิยามีอจจิตวาริตะวิสุขดัตตนะมารากันทวิเลปนาธารณมันดะนาวิภูตนาธานาเวรมณีศิคขาปัตังสมาธียาม นัจจคิตาวิตาวิสุกขทัศนามาราคันทิเรปนัธารณะมณฑนาวิปุสนาขานาเวระมณีสิคาปดังสมาทียามีอุจจาสะยะนะมะหะสยานาเวระมณีศิคาปดังสมาทียามีอุจจาระยะนะมะหสยนา คตังสมาธิยามิอิมังอ <Naturally, S 3> ิม an ังอัฏฐานคะอัฏฐานคะสำนนะคตังสำนน a คตังพุทธะปัญญาตังพุทธะปัญญาตังอภ g s a ังอภู菩ังอิมัญจารติงอิมัญจารติงอิมัญจิวสังิมัญจิวสังสมาเวสมาเวอภิรักิตุงอภิรักิตุงสมาธิยามิสมาธิยามิ พวาข้าพเจ้ า, ข, า, จาขอสมาทา น, อาานเอาองค์อัตฐศีลอันประกอบไปด้ว ย, อ, อ, วยองแปดประการที่สมาทานไว้ดีแล้ ว, ว, ลวเพื่อจะรักษาไว้ ไ, วไม่ให้ขาด ไม่ให <mm ้ทำลายในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งขอบูญกุศลส่วนนี้จงเป็นปัจจัยให้พวกข้าพเจ้าได้รู้แก้งเห็นจริงให้มักผลไม่พานในปัจจุบันในชาตินี้เถินมานิอัตต สิกขาบดานิอัชเชกังปตินจิวังอุปสัะสีลวะเสนาสาทุกังกตวาปมาเดนาราักิตบาเนสิเลนสุกติงยันติสิเลนโภโอกสัมปดาสิเล น, นิปุติยันติตัตมะสิลังวโสทะเยอ <c oughs> ืถึงวันกินถึงวันพระก็ต้อง ให้มีพิธีรับศีลซึ่งเป็นวันของพระพุทธเจ้าคประการหนึ่งก็ถ้าหากเราไม่รับไม่มีพิธีพระสงฆ์อาจจะลืมได้เพราะฉะนั้นการถึงวันขิมวันพระก็ควรที่จะมีพิธีอาราธนาคืพิธีรับศีลถ้าหากเราไม่ทำตามทำคำสั่งสอนของพระเจ้า ใครอยาไปทําตามใครจ ะ, ร, จะ ร, รักษาเอาไว้พุทธบริษัททีช่วยพระภิกษุสงฆ์รักษาพระพุทธศาสนาพระพุทธบริษัทถีภิกษุสมเนรอุบาสกอุบาสิกาสมัยก่อนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกากพระ พ, พุทธเจ้าว่าภิกษุณีหมดสมัยไปแล้วเพราะว่าไม่มีอุปชา ที่จะบวชให้อุปชา์ที่บวชเป็นพิกตูนีต้องทางพิกตูนีรูปหนึ่งทางพระสงฆ์รูปหนึ่งเรียกว่าอุปชายองรูปถิ่นพิคตูนีตั้งส0ม้อยข้อนะไม่ใช่ น, น้อยเพื่อป้องกันเอาไว้ไม่ให้ <c oughs> จิตใจคึกขนองเวทเจ้าบังคับเอาไว้ถึงบังคับให้ มากกว่าพระภิกษุสงฆ์มากกว่าผู้ชายเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าว่าหมดก็หมดแล้วก็แน่นหนักภาคปฏิบัติก็ได้เหมือนกันขอข้อสำคัญก็คือเอาตั้งใจปฏิบัติที่เตือนออกุนญาติโยมที่มาปฏิบัติทำวันศิลปุระสองวันสามวันบ้างแล้วแต่ศรัทธา โดยเฉพาะถึงวันสําคัญนี่ก็ควรที่จะรับได้ทุกคนรับได้ทุกวันพระเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งถ้าเรารับแบบนี้ไม่ได้มีแต่ชื่อชาวไทยชาวพุทธชาวพุทธชาวพุทธแต่ไ ม, ไม่ไม่รับศีลก็ไม่ได้ครับไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติถึงมาได้รับก็หากเราไม่มีเวลาที่จะมาบ้านก็ ที่บ้านก็มีห้องพระหิ้งพระสาบวา่อย่างพิธีอยู่วัดนี่แหละกระท่องเอาอันนี่เรียกว่าเจตระหัางพิฆเวสิลังวดามิจะเป็นศีลเพราะมีเจตนางดเว้นรับกับพระแล้วถ้าไม่มีเจตนางดเว้นปเพมือนโกหกได้บาปอีกสองครั้งโกหกพระด้วยโกหกเราด้วย เพราะนั้นเมื่อเวลาได้สมาทานเราก็ทำกันตั้งใจวันเดียวโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเวลาอยู่วันเดียวท้องสมาทานแล้วเพื่อจะรักษาไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้ทำวัดตายกับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าผู้มีกิทธาอยู่มากก็ไม่เป็นไรถึงจําแล้วออกควานึกว่านี้ก็มาเมื่อก่อนขอปฏิบัติเราก็อยากจะได้ทําความเพียรอยากจะมีโอกาสทําความเพียรมากๆ คือมีสัจจะให้เอาคำเดียวไม่พูดนะได้รับสินแล้วจะไม่พูดกับใครยกเว้นเฉพาะกับพระเจ้าพระสงค์ถามข้อธรรมะขัดข้องยกเว้นเอาไว้นะเห <c oughs> ็นว่าไม่พูดไม่พูดที่เลยเวลาเป็นสัญญาพิปะาะษามากก็จะถามใครไม่ได้ก็เสียหายไปะ เพราะว่าการปฏิบัติทำเน็ตทำต่อๆวันตลอดวันนี่มันเป็นไปได้นม่เหมือนเราไม่ตั้งอยากจะพูดไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติอยากจพูดกระปรูงแต่แต่เรื่องที่จะพูดพูดกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ค่อยพูดส่วนมากกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เอามาพูดเอามาคุยกัน เสียหายทั้งตนเองเสียหายทั้งคนอื่นคนอื่นตั้งใจทาสมาธิอีกคนหนึ่งไปคุยกันมันบาดหัวใจกันเพราะฉะนั้นจึงมีศรัทธาแก่กล้ากดงดออคอ น, นี่จะได้ทำคมเพียนนั่นแหละรักษาศีลถ้ารักษาจุดนี้มีสัจธคําเดียวแค่นี้คุ้มเลยศีลไม่ต้องไปท่องอะไรให้มากท่องที่ใจเนี่ยเนี่ยเพราะ เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปคุยกับใครหรอกมันก็ได้เข้าสมาธิเลยพอเขา้านึกบุงในกฎเข้าสมาธิพอเข้าในกุฏิเข้าสมาธิเลยมาดีปุงแต่งถ้าเราไม่ตั้งเอาไว้ข้องใจเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปหาผู้หาพวกคุยนู่นคุยนี่หมดเวลาไปแล้วนะถ้าเรื่องของโลกียะมันเยอะแยะที่อารมณ์ที่จะมาก่อกวน นึกคิดนึกคิดแล้วก็ปรุงแต่งมุกปุงแตง่ง แ, ตงแล้วก็พูดไปตามความปรุงแตง่งอวิชชาคือความปรุงแตง่งนันปรุงแต่งไม่ซิ้นสุดเราเรื่องของโลกเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ตัดรูปเพราะสัจจะนี่ก็เราแค่นี้วันเดียวแค่นี้ว น, น, นไม่ได้จริงๆก็เอามือปิดปากไว้เอา ไม่ต้องนึกคิดอ้าวจะคิดอะไรเพราะเรามีสัจจะแล้วไม่ยอมเสียสัจจะไม่ต้องโกหกตนเองไม่ได้นะโกหกคนอื่นได้โกหกตนเองโกหกไปได้นะแต่พูดแล้พูดคําใดเป็นคํานั่นอุ้ยเจ้าจึงคงกัญชาไปเสียสัจจะนี้เสียชีวิตดีกว่าเห็นไหมล่ะแต่กับกรอกตอนเองหรือพูดได้ร่อง ตั้งสัจจะจะเอาตลอดพรรษาได้สองสาวันโอ้ยหิวกาแฟโอ้ยหิวบุหรี่เ <c oughs> ออเอามือแกียนเ่ากินลึกได้แบบปากเป็นธรรมหัวใจเป็นยั์ไม่มีความซื่อสัยตย์ต่อตนเองไม่มีความซื่อสัยตย์ต่อพระพุทธเจ้าอ่ะ ถ้าตั้งใจจุดนี้เราไม่มีปัญหาอยู่มากเท่าไหร่ไม่มีปัญหาอย่างพระเจ้าพระสงฆ์ขัง่งพุทธการไม่มีปัญหาเป็นแสนๆนะไม่ใช่จะเป็นสิบเป็นยี่สิบเหมือนบวกเรานี่นะไม่มีปัญหาเพราะแต่ละท่านแต่ละรูปสำรวมตนเองดูตนเอ ง, ด, เองดูใจตนเองนั่นแหละให้พยายามตั้งใจนั่นแหะคำว่าปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่ับบนุ่งหาวคมหา นุ่งขาวห่ม ข, า ว, ขาวเข้าไปดูวัดแล้วว่าไปถือศีลพูดแต่เรื่องคนน่นไปพูดแต่เรื่องคนนี้นะ พ, <c oughs> พูดทำไมเรื่องคนอื่นต้องพูดเรื่องของเราดูพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจพระเจ้าให้สอนอะไรสอนให้ดูใจสอนให้รักษาใจดูลมเข้าลมออกเห็นใจสอนให้ดูใจแต่พูดง่ายๆ ถ้าเราตั้งใจจุดนี้แล้วไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรแล้วเพราะเราตั้งใจเอาไว้แล้วมีสัจจะบังคับคอบงำเอาไว้แล้วนี่หนักภาคปฏิบัตินะเป็นยังไงล่ะมีใครคล้องใจไหมอาไม่มีใครคล้องใจกับทพอ่ะ อาโลกาเวนิโมอาโตอ